أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول رب أعوذ بك من ه م ز ا ت الشياطين. وقول رب أعوذ بك من ه م ز ا ت الشياطين. و ع و ذ ب ك ر ب ّ أ ي ح ض ر و ن ح ت ى إ ذ ا ج ا ء أ ح د ه ُ م ا ل م و ت ح ت ّ ى إ ذ ا ج ا ء أ ح د ه م ا ل م و ت ق ا ل ر ب ا ج ع ق ا ل ر ج ع َ ل جعل ي أعمال ص ا ل ح ا في ما تركت. كلا، كلا. إنها كلمة هو قائلها. إنها كلمة هو قائلها و َ م ِ ن وَرَائِهِمْ ب َ ر ْ ز ٌَ إلَى يَوْمِ ا ب ْ ع َُ و ن فَإِذَا ن ف ِ ي ْ ت فِي ا ل ص ُّ و ر فَلَا أ ن س َ ب َ ب ي فَإِذَا ن ُ ف ِ ي خ َ ف ِ الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ ب َ ي د ً هُم ولا أنساب بينهم يومئذ ولا ي ت س ا ء ل و ن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. و ่าม ئ ใจอาติ عمالنا ما يهده الله فلا م ل ض ل ل ُ وَمَن ي ُ ض ل ْ فَلَا هَادِيَ لَهُ و َ أ َ ش َ د ُ أَلاَّ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ و َ أ َ ش َ د ُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ ب ِ ك َ أ َ س ْ ب َ ح ْ ن َ ا و َ ب ِ ك َ أ َ م ْ س َ ي ْ ن َ ا وَبِكَنَحْيَا و َ ب ِ ك َ ن َ م ُ و ت ُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِن شَرِّ مَا خ َ ل َ ق َ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 وعافيني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه و, ن ahu, و, ن و ز ن ة ت ع ر ش ل ش ه و ب د ا د ة كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนั่งสมาสุบบอกที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องน้อมรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอ์สั่งผ่านนบีบอกว่าเ <SPEAKER> มื่อตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนเนี่ยให้นึกถึง ette, ยะยะอัลลอ์เยอะๆพี่น้องขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้ดูอาที่เรากล่าวคือถ้าหากไม่กล่าวเนี่ยมันมีปมหังไซตอนผูกเอาไว้นะสามปมตอนเรานอนเนี่ยเรารู้ได้ยังไงเราไม่รู้หรอกถ้านบีไม่เล่าให้เราฟัง นบีสอนอย่างนี้เวลากลางคืนเนี่ยเ ร, เรานอนหลับเนี่ยชัยตอนมันจะพูดว่าเอา้านอนให้ยาวยิงนอนแล้วไม่ได้ตื่นมาแต่ฮัดหยุดด้วยมันถูกใจหมดเลยถูกใจชัยตอนถูกใจเราด้วยเดี๋ยวมันเดี๋นี้ถ้าเราขึ้นมาเนี่ยไปน้อนกับก็ขึ้นมาตื่นมองมาเนี่ยให้ไล่ให้แก้ปมแก้ปมสามปมนะปมแรกแก้ด้วยดอ ع ا ء เรากล้าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัคยานะบากดมาอามะตานาวะอิลัฮินุชุดเนี่ยปมที่ใช้ตอนผูกไว้หนึ่งปมหลุดแล้วยังมีสองปมอีกครับปมที่สองเนี่ยหลุดตอนไหนแก้วตอนไปอาบน้ำน้ำมาแล้วกล่าวบิสมิลลาเป็นดววัวหมดเลยครับแล้วปมที่สามจะหลุดตอนไหนครับตอนมาเข้าเสือนะำมาแล้วก็กล่าวอัลลอฮัุอัยบต์นี่ยปมที่สามถึงจะหลุด ถ้าสามปมได้หลุดแล้วเนี่ยนบีบอกว่าวันนั้นทางวันเนี่ยอิทธิพลชาตอนไม่เหลืออยู่อยู่กับเราแล้วออกไปหมดแล้วจากนั้นมีแต่ความอะไรนะกระปี้กระเป๋าแข็งแรงการทำดีแล้วสุขภาพจิตเราดีเพราะชายตอนไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมเราได้แล้วนะครับวันวันหนึ่งพี่น้องให้หาให้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหัวใจให้มากที่สุด ครับมีอยู่เจดอย่างนะเจดอย่างให้สร้างอีมานขึ้นในหัวใจเนี่ยหนึ่งให้เรียนอีมานนี่เรียนกุรานเนี่ยเพิ่มอีมานนามาดเพิ่มอีมานนะครับแล้วก็อารมณ์อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้ให้ดีนะครับเป็นอีมานทั้งหมดข้อที่สองตัลลุกบิลแล้วให้เราเนี่ยโยมกับอัลลอฮ์เยอ ะ, ยะ ในชาวชาติมีดวอาอาา่านเะท่าไหรนะสิบเกบทนะครับมีดวอาที่เราอาาร่านขึ้นรถลงเรื อ, ข อ, อ, อ, อกเข้าบ้านาออกจาออกบ้านเข้ามาสัสยิดออกจากมัสยิดมีดวอาอาา่านทั้งหมดพระเยวายอมกล่าวล้อนะครับเรื่องที่สามทำความดีทุกรายการต้องทําด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเรื่องใหญ่มากนะครับทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคาว่าบริสุทธิ์ใจอธิบายอย่างนี้ไม่ทําเพื่อ เพื่อชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศเงินทองเพื่อไม่ทําเพื่อใครทั้งหมดเลยทําเพื่ออเลาะองเดียวเรียกว่าอ e ิคลาสเรื่องที่สี่นะครับอยากจะชี้ฮักคำว่าชีฮักมาถึงต่อสู้ที่ที่ไม่จะมาจากซุนานะนบีมันเยอะอแล้วก็ต้องเลือกทำไอเลือกทำก็เรียกว่าต่อสู้แล้วอันนี้ไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างงี้ไม่ทําทําแบบนี้อ่า อยากที่จะต่อสู้ชาชีวิตอยู่ในคุณทางของอัลลอสุบฮานาฮูวาตาลาข้อที่ห้าทำแล้วอัลลอต้องพึงพอใจนะครับทำแล้วอัลลอต้องพึงพอใจคำว่าพึงพอใจเนี่ยเราอ่านเราขอดูอาเองอัลลอให้ให้เราขอดูอาอะไรนะอินนัสซาลาตี ي, กวนูซูกีวะมะฮัยยะวะมะมาตีลิลลฮริรอบบิลลาจะมีแล้วว่าห้าครั้งใช่ไหม่ะ ตอนอ่นวัจา n ะนี่อะแท้จริงการนาหมายของฉันการเสียสละของฉันการมีชีวิตของฉันยี่สิบสี่ชั่วโมงและการตายของฉันทําแล้วรบบิลางาเดมีนว่าผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลขอใจเพราะเาเตือนตัวเองตลอดเวลาข้อที่หกอยากจะตายเฉยต้องนึกตลอดเวลาขอด้วย อัลลอฮฺจะฉันอยากจะตาย شهيد ฉันอยากจะตาย شهيد อยากตาย شهيد พอเราขอแล้วเนี่ย Allah อัลลอฮฺอาจจะให้หนึ่งตายก่อนก่อนตายอ่านกาลิมา่าเตาเฮดได้ก่อนตายกําลังคลองชอนคุดชุดย่ร้อมได้ตายตอนนั่งนั่งอัจฮัยยาตายตณะอ่านอันกลกุรอานอัลลอฮฺให้โอกาสตลอดเวลาแต่ตาต้องขอนะขอให้ตายช ه ي د เจ็ด นะขอให้เราอยู่ในสวนสวรรค์ของ Allah Subhanahu Wa Taala มันมีดวอ่านอย่างนี้ Allahumaini as'alukal jannah ว่าเอา Zubi kamina ฉันขอสวรรค์แล้วก็ให้ออกหา่างคุมค้มครองจากไปนะรก Allahumaini as'alukal jannah ฉันขอสวรรค์ว่าเอา Zubi kamina ได้ฉันขอ ความคุ้มครองแต่อัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกอัลละมะเขาแนะ น, นําหรือนบีสอนว่าให้อ่านอย่างน้อยวัน ล, ละสักสามครั้งนะครับวัน ล, ละสามครั้งอัลลอฮุมะอินนี้อัสอลุกันจานนาวะอูบิกามินันนะพี่น้องเจ็ดรายการนี้ต้องต้องทําทุกวันต้องขอทุกวันนะครับพี่น้องวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์นะมาอ่านกวรอ่านมาพบมาถึงสู่เรา อันมุมีนูนอายาที่97แล้วพี่น้องของที่ผ่านๆมาพี่น้องถ้าจาหมดนะอัลลอฮ์ถ้าจำหมดนะอัลลอฮ์ความสบายเลยแต่เราก็มันก็จาเยอะมันก็ลืมเยอะเหมือนกันนะนะเอาวันนี้มาเจอมาพบอายที่97นะครับพี่น้องต่อจากอายที่แล้วนะอิดฟะบิลีฮยอซนุสยะ นั่นเราเอาเรื่บูบีมายซฟูนตัวนี้นะดีไปน้องจงบำราบหรือจงปราบนะครับความชั่วด้วยความดีจงบำราบหรือปราบความชั่วด้วยความดีนบีทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ไปน้องทำยังไงอ่ะกับผู้หญิงยกตัวอย่างนะเี๋ยวรบ ก, กันบ่อยๆนะผู้หญิงเอาขยะใส่ศีรษะท่านนาบี น บ, บีโกรธัหมให้โกรธให้อภัยอย่างเงี้ยสามสี่วันพอวันสุดท้ายเนี่ยไม่โยนขยะใส่ศีรษะน บ, บีสรุปแล้วน บ, บีขึ้นไปเยี่ยมอะนี่ไงเห็นยังครับอินฟะวิลตลีฮิอาสันุสัยอะจงยับย่างหรือจงบำราบจงปรามความชั่วด้วยการทำดีทำดีต่ยการอดทนเนี่ยทำดีต่อการให้อภัยพี่น้อง และคนที่คนนี้เขาจะบอกใชยตอนที่เห็นตัวนะใช้ตอนมีสองอย่างใช้ตอนที่เห็นตัวกับใช้ตอนที่มองไม่เห็นตัวใชยตอนที่เห็นเห็นตัวแล้วก็ทําอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยเราเสนอของดีๆให้นะเรียบร้ยบรยบรอยหมดนะ่ะแต่ทาได้ไหมลนะ่ะคนทําไม่ฟังศาสนานะฟังไม่ได้ถ้าอ่านคัมภีร์เยอะๆเนี่ยเนี่ยทางตามมยา น, นี้นะแปะไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยมันจะนึกอ๋อเอาเราสั่งให้เรา หยับย่างความชั่วด้วยการทำดีพี่น้องต้องอดทนนะถ้าไม่อดทนทำทำไม่ไดนะ้ของมันขึ้นอนะ่ะเวลาใครทำไม่ถูกใจนะี่ของขึ้นเลยนะเอาวันนี้นะครับ97วะกุลวะกุลรับบีอัลซูบิกะมินฮามาซาติชัยาตีน วักุร์รับบ์อาอูบุบิค์มินฮามซาติชาติอัลลอฮฺพีนองัลกุรอานนี่นะทุกออย์มีความหมายหมดเลยเนี่ยนะนี่พูดเรื่องของเราหมดเลยนะครับอวกุร์กุลไม่ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเพราะอัลลเนี่ยประทานอัลกุรอานลงมาผ่านนบีมุฮัมมัดสลัลลอฮซัลลัมหรือสั่งให้นบีพูด ที่นี่นบีพูดแล้ววันนี้เรามาอ่านกุนอ่านเองแล้วก็ต้องพูดเหมือนนบีพูดนี่นแหละที่อัลลอฮ์สั่งรอบบีแปลว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันนะครับข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันมาถึงก็นี่เป็นการอัลลอฮ์สั่งให้ขอดุด อ, อ่านอ่านี่เป็นมารยาทนะครับของมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะต้องขออนันขอดุอาต่ออัลลอฮ์แบบนี้ขอว่าไงครับ อาอูบิกะฉันขอความคุมค้มครองต่อพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์นั่นแหละมินฮามาซาติชาตีนให้พ้นจากการ ล, ล่อลวงของายต า, ายติน น, นะาตินวเนี่ยเป็นผูพพน์นะายาตินเยอะนะใสตอนตัวมาเนี่ยเยอะมากเลย เพราะว่ามากกว่าประชากรโลกอ่ะมากกว่าประชากรโลกประชากรโลกจะไดนะเจอะรเจดั 7, นี่เขาวางไวว่าเน่ยเจดันใช้ตอนมากกว่านี้นะอัลลอเ่มมาลายกาอีกเท่าไหร่เนี่ยเรามองเห็นตัวนโอ้ยยุบยับไปหมดเต็มไปหมดโลกไปนี้แต่ว่าอัลลอไม่เห็นไม่เห็นใชยตอนไม่เห็นยินและไม่เห็นมาลายกา ว่ารับบีเอาซูบิกะมินหามาซาติ ا ัยติยَนั่น <ين> แِละมุฮัมหมัดเอยจงกล่าวมาจึงขอดูอาเธอดขอว่าอย่างนี้รอบบีข้าแต่พระผู้อาภิบาลของฉันเอาซูบิกะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากอะไรฮามาซาฮามาซาที่แปลว่าล่อลวงหรือแปลว่ากระซิบกะระซาบ ของใครครับของตัวมารของไสยตอนกี่ตัวหลายตัวทําไมสั่งให้ขอแล้วก็ไปน้องเพราะไสตอนเนี่ยมันอยู่วิ่งอยู่ในเส้นเลือดไสตอนที่มองไม่เห็นตัวนะ่ยวิ่งอยู่ในเส้นเลือดฉะนั้นต้องขอออฮฺบิลลาฮิมินัสไสยตอนิร์จีให้ f. ขอแบบนี้หรือขอดวงอาเนี่ยดวอาแบบนี้ก็ขอได้อาอูบบิการมินฮามซาติชาญาตีให้ i. ขอแบบนี้เลยนะ อูซูบิกามินฮามาซาติชาญาตีนนี่เป็นดวอาสอนให้ท่านนาบีขอเหมือนกับสอนให้เราเป็นมูซผู้ศรัทธาต่อร้องให้ขอดูอาเหมือนท่านนาบีขอเพราะอาลัลลอฮ์สั่งให้ขอนะครับทีนี้คําว่าชาญาตีนเนี่ยตับเซตอธิบายดีนะตับเซอธิบายอย่างนี้ใช้ตอนมีสมีสองชนิดใช้ตอนเนี่ยมีสองชนิด ชนิดที่หนึ่งเรียกว่าไซต์ตอนนุนยินไซต์ตอนที่เป็นยินนะครับไซต์ตอนที่เป็นยินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไซต์ตอนนุลอินส์ไซตตอนที่เป็นคนนี่เพิ่งรู้อ๋ออ่านเจตทัศน์อีลนุกซีรเนี่ยเพิ่งรู้เลยไซต์ตอนมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งไซตตอนที่เป็นคนสองไซตตอนที่เป็นยินไอค น, นเห็นตัวใช่ไหม ยินเห็นไหมไม่เห็นนี่ไงนบีอธิบายนะใช้ตอนที่เป็นรูปร่างเป็นคนเนี่ยจะทำไงครับให้ขอก่อนแล้วก็ปฏิบัติด้วยนบีทำรูปแบบไว้นะอย่างเช่นนบีนะนะผู้หญิงคนหนึ่งโยนขยะใส่ศีรษะนบีนั่นถือว่าเป็นใช้ตอนที่มาจากคน ใครที่เป็นเป็นศัตรูเนี่ยไปน้องทําเรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ ด, มดีให้กับเราเนี่ยไปน้องยิ่งให้กับท่านนาบีให้กับอิสลามให้กับสุนทรนาบีให้กับอัลกุรอานให้แก่เขาที่เป็นคนดีทั้งหมดนี่ยไปน้องถ้าใครมาทําลายเราแก้งเราทรมานเราสร้างความสับสนนี่ยไปน้องทั้งหลายนะครับให้เราขอดุอาต่อละอ ก, ก่อนถ้าเป็นชายตอนที่มาจากคนให้เสนอแต่ของดีๆกุรอานก่อนจะถึงอาย่า น, นี้ก็คืออะไรนะ อิเดฟะอบิน ล, ละตีฮียะอัลฮานุสัยอ่ะนี่อ่ถ้าชายตอนที่เป็นคนชายตอนได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยไปน้องให้พรามให้ปรา บ, ราบด้วยความดีอ่ะยกตัวอย่างสามีภรรยาอยู่ที่บ้านถ้าสามีขึ้นเสียงภรรยาที่เขาใจยสานหะนังเงี้ยเมียก็จบไม่ตอบยิ้มยิมมันก็ได้อะไรบ้างนั่นภรรยาที่เขาชายสานนะาหรือว่าภรรยา ขึ้นเสียงบน น, นบนนู่นบนนี้ <c oughs> ก็ผู้ชากันนั่งเงียบๆบ้างไม่ได้อ่ะเหมือนใครเหมือนไซนาอุมัตราเดียวลออันไปไซนาอุมัตเนี่ยวันนั้นมีวันเข้ามาบ้านแล้วก็มีเพื่อนตามมาอีกคนสองคนต้องการจะมาถามปัญหาเนี่ยพอมายืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงภรรยาของไซนาอุมัตเนี่ยกำลังบน่นบ่นบนบ น, บ น, บนไซนาอุมัตไม่ตอบ เขาก็แปลกใจไซนาอุมาธรรมดาเคยตอบทุกเรื่องแหละใครอยู่ข้างนอกในี่ใครเล่นงานมาตอบหมดจัด ก, การเรียบร้อยปลาเรียบร้อยแต่มาถึงบ้านภรรยาบน่นทำไมไม่ตอบแล้วก็ยิ้มเฉยให้อภัยพอเพื่อนคนนี้เข้ามาก็ถามว่านี่เป็นภรรยาของคุณบ่นคุณเนี่ยท่านตอบว่าฉันให้อภัยหมดสาเหตุที่ให้อภัยเพราะนางมีความดีสี่รายการหนึ่งคอดลูก แทนฉันสองเลี้ยงลูกแทนฉันสามซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่สี่จัดอาหารให้ฉันทานพอแล้วฉันให้อภัยเธอจะบนกับบนไปเห็นไหมเน้องนี่เป็นการพรามใส่ตอนแบบเงียบๆเน้องและพรามแบบ อ, ลอัลเพรน้องครับเห็นไหมนี่ไงอีดฟาบิลลาติยะอฮซัน เรามีอยากพูดปชัตน่ะเป็นพยาปชัยตอนมีอยากพูดตรงนี้ใช่ไหมมันกระเทือนเยอะระหว่างนั้นของไม่ดีทั้งหมดทำไงนะก็ขอทูอาต้อาลลอว่าไงนะอูซูอะไรนะอูซูบิกามินฮามาซาทิชัยตอนอ่านได้ไั้ยได้พยาบ่นบ่นอยู่ที่คว่าลรก็อา่านอูซูบิกามินฮามาซาทิชัยตอนล้วก็นั่งเงียบเงียบได้ไ้ยได้เหมือนใครเหมือนไนาอมาอัาอลลอ ทะเลาะกันมีไหมไม่มีอัครากของนบีมีอยู่สามเรื่องนบีไม่ทําอย่างเด็ดขาดหนึ่งทะเลาะโตเถียงโกรธนบีไม่ไม่แสดงอาการนะไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ทะเลาะกับลูกไม่ทะเลาะกับบรรดาซอบ้านนบีนบีไม่เคยทะเลาะเอาส่วนนี้ไปใช่ดีไหมดีแล้วิดปามลามซาตนทั้งหมดไปนอกแล้วก็ต่อมาครับว่าอา ชัยตอนอีกว่าเพทหนึ่งคุน้องชัยตอนที่ไม่เห็นตัวไอ้ที่ไม่เห็นตัวเนี่ยจะกลาเป็นน้องตรงหลายมากระซิบกระซาบที่หัวใจมาาดนาะมายุแย่ให้ทำนู่นทำนี่เป็นของบาป ท, ทั้งหมดเหลยพี่น้องนะให้ขอดุอาอย่างเดียวพอขอดุอาชัยตอนเพนหมดขอว่าไงครับถ้ามอยู่สองสามอุราอ z ซุบิลลาฮิมินัสชัยตอนนิโรจี ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอห์ให้พ้นจากชายตอนเวลาชายตอนมันเข้าเนี่ยสังเกตนะครับหน้ามันแดงหูก็แดงปากก็สันตอนทะเลาะกันน่ะใช่ไหมมีอุลมะแนะนำว่าให้ไปยืนอยู่หน้ากระจกบ้างจะได้เห็นว่าน่าตัวแท้ของชายตอนตอนเรานี่แหละโอ้ยอย่างนี้เองนะชายตอนอ่ะหูแดงมือสัน กำลังดาปบปับปัปปไหมมันจะใช้ตอนทั้งหมดจากนั้นอ่านดูอาบทนี้ช้ตอนมันก็จะหายไปนบีนแนะนำนียนะเวลาใช้ตอนเข้าเนี่ยถ้าอยู่ในท่ายืนให้เปลี่ยนเป็นท่านั่งท่านั่งแล้วมันยังไม่หมดนะให้เปลี่ยนมาเป็นท่านอนถ้ายังไม่หมดอีกให้ขึ้นมาอาบน้ำนำมะมอาบแล้วอาบอาอซุบิลย์มันชตอนอยู่โรจีมื้ออ่าน อูซูบิกามินฮามาซาติไซต์ตอนนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไซต์ตอนมีสองประเภทประเภทที่เป็นค้นให้ทำดีนะครับประเภทที่มองไม่เห็นตัวให้อ่านดูอาอย่างเดียวและอัลลอจะให้ไซตตอนที่มองไม่เห็นตัวนั้นหายไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอ oh, ห์ลฮัมดุลิลลาฮิวะนลนะครับมิดในตับซีสตับซีสอธิบายอย่างนี้ มีอยู่ท่านครับมีสวบบาวบ้านนบีคนหนึ่งชื่อคอลิดนะชื่ อ, อไรนะคอลิสอัลลอฮ์หวานหูท่านคอลิดสอัลลอฮ์หวานหูกลางคืนนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับไปหานบีเห็นไหมเขาไปหาไปหานบีหาตัวครูนะาไว้ง่ายนะเล่าให้นบีฟังเพราะว่าฉันเนี่ยนอนไม่หลับกระสับกระสายนบีสอนดูอา คล้ายๆดวงอานะครับอานอันนี้แหละขอว่าเงี้อ้าวรูบิกริมาติลฮิตะมติมิห้ดบลลฮ์วอิคบิฮวมิชัริอิบัลีฮีว่มิฮมาซาติชตนวอยยฮ์ดรูยวนิดนึ่งน้องนี่เป็นดอที่ท่านนบีสอนให้ท่านขอลิรลลอฮ์อ นอนไม่หลับตอนกลางคืนนะครับให้อ่านตัวอ่านบทนี้ความจริงตัวอ่านนอนไม่หลับมีอยู่สองบทอีโบทหนึ่งผมอ่านทุกคืนนะพอมานั่งตรงนี้เลืมทุกทีอ่านอ่านตัอ่าบทที่ที่ท่านเทพนนาบีศอสไยนาคอลิสนะอ้าวซูบิการิมาติละฮิตะมาติฉันขอความคุ้มครองด้วยพจนาที่สมบูรณ์ของอัลลอฮฺ มิ่นรอตบินแลจากความเกลียวโกรธของอัลลอฮ์คนที่นอนไม่หลอลัลลอฮ์เกลียวนะอลัลลอฮ์เกลียวคนนี้นอนไม่ห ล, ลัได้เครียดทั้งเกลียวอนะ่ะว่าอิโกบีฮีและการลงโทษของพระองค์ว่ามิ่นชาติไนบาดีฮีแล ะ, ละแล ะ, และอะไรนะและแล ะ, และความชั่วร้ายของบาวของพระองค์ว่ามิ่นฮามาซาติชัยตีและเสียงกระสิบกระซาบของมารร้ ว่าอายหาดูรูไม่ให้มาอยู่ต่อหน้าฉันขออธิษฐอนตลอดไม่ให้ชายตอนมาอยู่ต่อหน้าฉันเพราอชายตอนไปมันก็รับจากนี้เป็นต้นนะครับคุณน้ อ, นองคงว่ายาดุรูเนี่ยมาร้ายมาอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยชายตอนเนี่ยจะมาอยู่ต่อหน้าตอนไหนรู้ไหมตอนเราทํางานความดีชายตอนมันจะมาอยู่ต่อหน้าคนทุกคนเช่นจันมาต พยกมือขึ้นอัลลอฮ์บักาชตอนมาเลยมันทำไงถูกไหมคิดนู่นสิคิดนี่สิคิดถึงรองเท้าสิคิดถึงรถสิคิดถึงภรรยาสิคิดถึงลูกบ้างเรากังวลเรื่องอะไรมันก็จะมาส่งเสริมในเรื่องนั้นแหละนี่ไงวะอายัดูรูนไม่ให้ไชตอนมาอยู่ต่อนหน้าเราเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าทุกครั้งที่มุมลินทําความดีไชตอนมันจะมายุแยให้คิดนูน่นคิดนี่ ไม่ให้ทํางานด้วยความบนสุดใจต่อ Allah ตอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาดะอัลทามดูเรีนล้วเป็นอันนี่ไงกูอ่านเตือนแร้วและจริงไหมจริงค น, น, า น, คนอามาดบางคนเนี่ยทำไมจะมีจะอยู่ซาอูเอะเพราะอะไรก็เพราะอิทธิพลไชตอนใช่หรือไม่ใช่ใช่มีเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงนี่อดาดับเล่าให้ฟังเองนามาซุฮัดในในซาอุดีนี่แหละไม่ใช่ที่ฮารอมนะสุราเล็ก วันนั้นนามาดซุฮอดสามรอักอัดพอนามาดให้สลามจบมีอยู่คนหนึ่งบอกอิหมามท่านในนามาดสามรอักอัดไม่จะเสียรักอัดในมัสยิดไม่มีใครรู้เลยอิหมามก็ไม่รู้ว่าสามหรือสี่แต่มีอยู่คนเดียวนะสี่สามรักอัดรู้ได้ไงเขาก็เล่าว่าฉันมีร้านอยู่สองร้านมีร้านค้าอยู่สองร้าน เราก็อัดทีหนึ่งฉันคิดบัญชีเห็นยากลอยนี้ไหมลอยลอยฉันคิดบัญชีรายจ่ายร้านร้านทีหนึ่งเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่เราะก็อัดที่สองคิดบัญชีรายรับเพราะก็อัดที่สามร้านที่สองคิดบัญชีรายจ่ายยังไม่ได้คิดบัญชีรายรับอีหม่ามให้สลามก่อนกลายเป็นสามราก็อัดเห็นอย่ากเนี่ยทำลอยไหมไอ้คนนี้ก็ลอยเหมือนกันเหมือนเนีย่ยใช่ไห นี่อิทธิพลของกายของไซต์ตอนอร่อ้มาแต่นั้นอิทธิพลไซต์ตอนเนี่ยไซต์ตอนมันอร่อยจริงๆริงใถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าให้เราฟังเราไม่รู้ฉะนั้นอ่านเยอะๆอออูซุบิลบละจุมินะชซต์ตอนนิรรจีมหรืออ่านคุณอัลลอฮ์เยอะๆกุลยาอะไรเนี่ยกูลอาอูสุบิรอบินนะอ่านเยอะๆเพื่อน้องเพื่พอจะไล่ไซตตอนนะครับทีนี้พอพอหนามาเลยหรือว่ามันขาดเนี่ยต้องส่วนู่ซาวีใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ พอสุดยุสาวีชะตอเสียใจเลยโอ๋อโหยุให้มันทำนู้นทำนี้ยุให้มันลืมเสร็จ แ, แล้วมันก็มาสุดยุส่าวีพอสดยุส่าวีชะตอเสียใจน บ, บีเล่าเราจะฟังนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอายาที่9ก้นะครับเก้าวะอูซูบิกะรอ บ, บีอายัดูรุน ว่าอุ้มูบิกระรับบี้ไอยาดรูนว่าอุ้มูบิกะแปลว่าฉันขอความคุ้มครองต่อท่านหมายถึงต่อพระองค์รับบี้่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันไอยาดรูนมีให้พวกมันมาอยู่ต่อหน้าฉันอัลลอ์ไอแปลว่าไม่นะไม่ให้ใช้ตอนตัวนี้มาอยู่ต่อหน้าเรา นี่าการขอดูอาแค่นี้นี่นะชัยตอนมันก็หายไปจากตัวเราแล้วนะครับนะครับว่าอาอุบิการอบิอายะดูรุนฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอย๋ยมิฉะนั้นพวกมันก็จะมาอยู่ต่อนหน้าฉันให้อยู่ห่างจากฉันอขอดูอาให้ชัตอนเนี่ยอยู่ห่างจากฉันครับพี่น้องต่อมาครับพี่น้อง อาจจะกับสุดเก่าถ้าถ a าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้ l a ้าถ้ i ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ a h ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า ขจจจนกระทั่งอิาดาแปลว่าเมื่อยะอได้มาถึงอาฮาดาฮุมคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาอัลมาอุดความอะไรครับความตายอ่าแสดงให้เห็นว่าทุกคนต้องตายไม่มีใครอยู่บนดุนยานี้ตลอดไปไม่มีทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้น เมื่อจนกระทั่งความตายมาถึงผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกเขาก็แหละเขาก็จะพูดว่าร็อบบี้ข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยอรยอร์เยนี่ได้โปรดส่งฉันกลับไปเถิดอ้าวกลับไปไหนล่ะกลับไปอยู่บนโลกดุนยาเหมือนเดิมอย่าให้ไปกูโบเลย ัภาษาอุพูดอธิบายดีมากนะครับอย่าเพิ่งพาฉันไปอยู่ในกูโบเลยให้อยู่บนเรื่องดุนยาไปนี้แหละถามว่าใครพูดติัศนิ์อธิบายดีพี่น้องอุลมามะตัศนิ์อธิบายอย่างนี้ฮัตจาแปลว่าจนกระทั่งอิาจาเมื่อได้มาถึงอาฮาดาฮุมผู้หนึ่งผู้ใดจากพวกเขาเหล่านั้นอัลเมาตุความตาย เมื่อความตายได้มาถึงพวกเข า, เ อ, าอัลลอฮฺไปน้องครับตายเนี่ยตายเองหรือเปล่าไม่ใช่อลัลลอฮฺมาเก็บวิญญาณสมัยก่อนนี่นะ่ะไปน้องครับก่อ น, นเลยเพื่อนๆเลยไปน้องก่อนก่อนที่เราอีกก่อนหน้านีอน่อันยาวนานเนี่ยเวลาอาลัลลอฮฺจะให้คนตายนี่นะเป็นทาดีอธิบายอย่างนี้จะมาให้คนตายเนี่ยโดยไม่มีสาเหตุพอถึงเวลาก็ม า, ม า, มาส่งมะเลยกามา กชากวิญญาณกลังกินอาหารอยู่ตายเลยชาวบ้านก็ดา่ดาด่าใครก็ดาา่าอน่ะดูสิมาเอาวิญญาณด่าอรวกันบ่น อ, อนกันมาเลรเล่าอรวนฟังอรนน่ะรู้อยู่แล้วพอเสร็จแล้วก็มาเลยการบอกว่านี่อรพี่น้องของคนตายเนี่ยบ่นท่านมาเอาวิญญาณมาชากวิญญาณโดยม่มีสาเหตุอวันตั้งแต่วันนี้ไปฉันใช่มีสาเหตลุละ ให้เป็นโรคมะเร็งมา่มีสาเหตุใช่ไหมให้รถชนถึงบินตกให้ผัวแทงเมียแทงผัวได้ก็ตามแต่ที่เป็นสาเหตุทั้งหมดวันนี้ไม่มีใครนึกถึงอัลลอฮฺถวายนะนึกถึงเหตุหมดเลยเออเองนี่แหละทําให้ฉันต์ตายรถคันนี้แหละทําให้ฉันต์ตายเห็นไหมลืมนึกถึงอัลลอฮฺไปพี่น้องเอาละเมื่อความตายมาพี่น้องก่อนจะตายเนี่ยเอาภาพของคนกาเฟสก่อนนะคนกาเฟสพูดอย่างนี้ครับพี่น้อง เมื่อความตายมาถึงพวกเขาก็าพูดอย่างนี้ก็และเขาพูดว่ารบบบรยอนได้ทรงโปรดทรงฉันกลับไปเถิดอย่าเพิ่งให้ฉันตายเลยขอใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ต่อไปอีกนิดหนึ่งนี่เป็นภาษาของคนไม่เอ า, าศาสนาคนที่เอ า, าศาสนาพี่น้องไม่พูดภาษานี้ ไอ้ทัศน์สิอธิบายอย่างนี้นะครับพี่น้องอธิบายอย่างนี้คนที่มีศาสนาคนที่มี إ ي م านเนี่ยพี่น้องเวลามาละมาละอีกามาเอาวิญญาณเนี่ยมาในสภาพที่แต่งตัวสวยงามนะมีกลิ่นหอมพี่น้องเห็นนี่สบายใจอะ่ะเราจะมาเอาวิญญาณชันจะพูดจาดีพูดว่างี้อยาไอยะตุหันนับสุลมุตมาอินนะโอ้ชีวิตวิญญาณที่สะอาดเลย อุครูจีโ อ, อจงออกไปหาความพึงพอใจของอัลลอ์ไปอยู่ใกล้กับอัลลอ์ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เป็นภาษามาัยกา้ามาเชิญวิญญาณของคนที่สะอาดเท้าอยากออกไหมอยากออกสิพี่ น, น้องลรวก็มาเลกาถามว่าจะอยู่หรือจะไปบอกขอไปทำไมอะ่ะอยู่บนรุญญานี่เหนื่อยเยอะนะมาตหายจุดอยากจะนอนอยากจะนอน แต่ใจมันนึกถึงอัลลอ์ฉันท่นฉนันขอไปอ่ะต้องมาตะหมาสโบรที่มสัสยิดอัลลอ์ต้องเอาใจกนนั่นต้องให้สลามกานนี้ต้องอดทนต้องขอดวัวาเหนื่อยไปหมดฉนันขอกลับไปอยู่กับอัลลอ์นี่ภาษาวิญญาณของคนสะอาดคนดีขอให้ตายมานเลยกล้ามาไปเลยไปเลยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขออยู่แล้วแต่คนกาเฟ่คนที่ไม่เอาศาสนาอุลมามะเล่านะตัซีดเล่านะ ตอนที่มาเลก้ามาเอาวิญญาณนไปนอนกับเอาลองให้เห็นภาพอาคิร์รับแป๊บเดียวพอเห็นปั๊บกลัวเลยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมาเล่าใหู้ฟังที่ผู้หญิงคนนี้รับอิสลามเพราะเขาก็ยืนเฝ้าไข้คุณยา่ายืนก็นสองคนเนี่ยตอนจะเสียชีวิตมาสักห้านาทีเนี่ยคุณคุณยายเนี่ยยกมือขึ้นฉันกลัวฉันไม่เอาแล้ว ตกใจที่พูดทําไมอ่ะนี่มาเล่าให้อนฟังพอมารับอิสลามมาเรียนรู้ว่าก่อนจะวิญญาณจะออกจากร่างนั้นเห็นภาพที่น่ากลัวพี่น้องเอาเล่าให้เห็นหมดเลยนะครับแวบเดียวนะพอเห็นแป๊บนี้พูดว่างไงนะเอจิยยวนี่อย่าเพิ่งเอาฉันไปเลยให้อยู่ไปก่อนสักระยะหนึ่งขอต่ออายุน้อยทําไงจะขออนุญาตทําความดีพี่น้อง เคยให้เอาเราเคยให้ไหมไอ้เคยเนี่ยเราเล่านะครับพี่กุล า, าต่อมาครับพี่น้องผมจะเล่าอย่างนี้ครับวิญญาณของคนกาเฟตตอนจะถูกออกจากร่างนั้นมีประมาณสิบข้อในฮะดีสทั้งหมดอย่สรุปเป็นสั้นๆนะข้อที่หนึ่งมาลาย ก, ก่อนจะมาถอดวิญญาณมาพูดอย่างนี้อย่าไอยาทุหันนับสุลคอบีซะโอวิญญาณที่สกปรกอุครุจีอีลาซาคอติลา อิลาซักอติมมินอัลลอฮฺว่ากรดดบจงออกไปสู่การอะไรนะความคิ้วโกรธของอัลลอฮฺและความความโมโหวความโกรธของอัลลอฮฺออกมาเจอความคิ้วคิ้วโกรธแน่นอนนี่คําที่หนึ่งเรื่องที่สองมาลาอิกาจะตบที่ใบหน้านี่คุณอ่านมีครับยาตูรีบูนาวูยูฮาฮุมวะอัดบาระฮุมจะตบที่ใบหน้าและตบที่หลังของเขาหลังวิญญาณและหลังหลังที่หน้าวิญญาณเนี่ยตบ กลัวไหมพี่น้องครับเรื่องที่สามนะครับมาลาอิกะก่อนจะถอดวิญญาณนะครับมารูก่อนแล้วก็เอาภาพมาให้เห็นเนี่ยคุณจะต้องไปอยู่ในไฟนระกแบบนี้เรื่องที่สี่เรื่องเรื่องที่ห้านะครับพี่น้องมาลาอิกะจะมาพรมีกลิ่นเหม็นแล้ววิญญาณของคนชั่วก็กินเหม็นเหมือนกันเหม็นแต่เหมือนมาอยู่ด้วยกันดับเบิลเหม็นนาะยพี่น้องคิดดูจะหนาขนาดไหน แต่ไอ้คนเฝ้าไข่เน่ยไม่เรื่องนะญาติพี่น้องที่ยนรวมๆมาอยูนนะไม่รู้นี่อ่านจากคัมภีร์เพงรู้ว่ากลิ่นเหม็นมากวิญญาณของคนที่ไม่มีอิมานต่อร้อนนั่นกลิ่นเหม็นมากเลยต่อมาข้อข้ อ, ขอที่เจ็ดวิญญาณของคนกาเฟสพี่น้องเมื่อออกจากร่างไปแล้วกลิ่นเหม็นมาอิกาจะสาบแช่งพอขึ้นไปข้างบนพี่น้องทุกวิญญาณเมื่อถูกถอดออกจากร่างแล้วมาเลกาจะพาขึ้นข้างบนหมด ข้อที่แปดวิญญาณของคนกาเฟตขึ้นข้างบนไม่ได้ขออนุญาตเปิดประตูสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งไม่มีใครเปิดให้แล้วก็โยนวิญญาณลงมาที่ที่พื้นดินเห็นยังครับพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์สั่งว่าเอาไปเก็บไว้ในซิดยีนซิดยีนเนี่ยข้อที่แปดนะซิดยีนหมายถึงไฟนรกที่อยู่ใต้ดินไม่รู้ว่าชั้นไหนของแผ่นดินะอัลลอฮ์วาแลมร้ไม่รู้พี่น้องข้อ ข้อข้อที่สิบเป็นน้องเจ้าวิญญาณของคนกาฟเฟสเนี่ยเปน้องถูกโยนและถูกบันทึกอยู่ในซีดีเป็นน้องพออ่านแล้วเนี่ยกลัวหมดเลยเลยพี่น้องถามว่าคนกาฟเฟสอยากจะจะออกไหมนี่ภาษานี้่ยอร่อยแล้วกอแล้ว ร, บบราเบริเดียนขอรออ้องอัลลอฮ์นี่ขนาดขอร้องนะอลัลลอฮ์ให้ไห้ยไม่ให้ขอว่าไงนะขอให้ฉันกลับไปอยู่ใช้ชีวิตบนดุนยาอีกครั้งหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่า โบสส่งฉันกลับไปเถอตับซีดมาอาริฟภาษาอุนดูอธิบายอย่างนี้ใรล้พงหลายเมื่อคนกาเฟรตอนใกล้จะจ่ายเอเลอร์ะจะให้ภาพของการลงโทษในอาคิร์นำมาเสนอให้เขาเห็นเมื่อเห็นแล้วเขาก็อยากจะขอใช้ชีวิตในโลกดุนยาต่อเพื่อขอแก้ตัวมาทำอามันทิสอและแต่ต้องการจะให้ตัวเองปลอดภัยจากการลงโทษ ท่านอิบนเจอร์ด์อธิบายต่อไปว่าท่านเจอร์ดได้อธิบายในอันใดไ ด, ได้รายงานบอว่าตอนใกล้จะตายวิญญาณใกล้จะออกจากร่างถ้าเป็นคนมุมินเขาจะเห็นมันเอยก็รักมะมาถอดวิญญาณอยากจะใช้วิญญาณอยู่ไปในโลกเมล็ดกระถาวมาต้องการจะอยู่อีกไหมคน ม, มันไม่าอยู่ไม่อยู่ฉันจะไปแล้ว แต่ถามคนกาแฟอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่อ่อย่แต่ a l ไม่ให้นะครับพี่น้องเอาต่อมาอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่เก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยละลี أعمل صالح فيما تركت لعلي أعمل صالح فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها و َ م ن و ر ا ئ ه ِ م ب َ ر ز َ ا إ ل ى ي َ و م ي ب ع ث ُ و ن ا ل ل ه أ َ ك ب َ ر ل ا ع َ ل ي أ َ ع م َ ا ل ُ ص َ ا ل ِ ح َ فِي مَا ت ر َ ك ت ُ ك َ ل ا อินนาคัล uh ิมตุนฮูวะควอิลฮะวามิวะรออิห์มบารซัคุนอิลลายามิยุมะซูนอัลลอฮฺบิแนมอธิบายต่อจอธิบายย่าแรกนะรับบีอัลญาวนีได้โปรดสงส่งฉันกลับไปเถิดขอช้าชีวิตในโลกอีกทำไม ลาลีเพื่อฉันเพื่อฉันจะทำอะไรครับอามาลูฉันจะทำงานสอริฮันงานอะไรงานดีๆเป็นความดีเหไมเพิ่งรู้จักความดีตอนวิญญาณจะออกจากร่างอ๋อลลเขาเปิดทีวีให้ตั้งสี่ช่องไม่เอา้าวไม่ดูอลลเอาซอไปอาบัด น, นี่นะเห็นน้องครับ นี่รวมมาถึงมุสลิมเราด้วยนะที่มีเอาศาสนานะมีมาเยอะพี่น้องขอร้องอัลลอ์อย่าเพิ่งเอาวิญญาณฉันไปอยู่ในกูโบลเลยขอต่ออายุอีกนิดหน่อยได้ไหมเพื่อฉันละอัลลีอะมาลุเพื่อฉันจะได้กระทำซอลิฮันความดีฟีมาตะรอกตูตะรอกตูฉันได้ละทิ้ง ยังไม่ได้ทำฟรีมาในในนั้นในความดีที่ฉันละทิ้งเอาไว้ยังไม่ได้ทำอร่อยพี่น้องลอกคิดไว้ดีนะอายุเรา เ, เท่าไหร่เจปีห0ปีความดีไม่ได้ทำอะ่ะและทาความดีชนิดที่นบีไม่ได้สอนเยอะไหมเยอะนึกว่าความนึกว่าเป็นความดีนึกเองอะ่ะแต่ไม่ผ่านนาบีมีไหมมีครับทีนี้ เอาลอเป็นน้องเพื่อฉันจะได้ประกอบการดีที่ฉันได้ละทิ้งเอาไว้ยังไม่ได้ทําคําตอบกันล์แปลว่านะไม่ได้อย่างเด็ดขาด impossible ไม่ได้ยังเด็ดขาดใครตอบครับบัลลังกาตอบเลยอัลลอฮฺสั่งให้ตอบบัลาหรือกัลลาไม่ได้อย่างเด็ขเ ด, าดขาดอินนาฮฺกาลิมาตุน หัวกออิลูฮะมันเป็นเพียงกาลิมาเป็นถ้อยคำกาลิมาเนี่พี่น้องแปลว่าถ้อยคําถ้ากาลิมาเตาเฮกหมายถึงละอิละอิละละโมหะมดุรอสุลลละถ้ากาลิมาคำเดีวยวแปลว่าถ้อยคําอ nah ินน้ากาลิมามันเป็นถ้อยคําเพียงถ้อยคําหัวกออิลูฮะหัวแปลว่าเขากออิลูฮะแปลว่าเขาพูดมัน เป็นถ้อยคำที่คุณพูดเท่านั้นดีแต่พูดพูดง่ายๆอะ่ะพูดละเก่งนะทำไม่ได้เรื่องอย่างนี้เป็นต้ น, นหัรว่ากอีลูฮามันเป็นเพียงถ้อยคำที่คุณพูดอลัลลอ์รู้รู้สันดานมนุษย์และวด้ทศทิศอธิบายนะถ้าหากอลัลลอ์เนี่ยให้ต่อชีวิตไปอีกไม่ตายนะมันก็กลับไปช่วงเหมือนเดิมนั่นแหละ ทั่วมันเดิมนั่นแหละมาดจะกการเี้ครอบตัวเราพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์อักุัดนา้าอุสบิลลาฮ์มินซาลิกนะครับแล้วก็ต่อมาครับพี่น้องวะมิวะรออหิมวะรอแปลว่าข้างหลังหลังจากวิญญาณออกไปแล้วเนี่ยใช่ไหมกลัไปบอกข้างหน้าดีกว่าเมื่อข้างหน้าของเขาในอนาคตของเขาหลังจากวิญญาณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบัซจาคุณ บัซักแปลว่ไนะโลกบัตซักบัซักแปลว่าที่ขั้นกลางระหว่างโลกดุนยากับโลกอาเคโรบัตซักโอ้พี่น้องน้ำในทะเลเนี่ยในคุณอ่านพูดนะน้ำเค็มกับ น, น้ำจืบถ้ามันมันไม่ปนกันเพราะมันมีบัตซักมันมีที่กัน้นเอาล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้น หลังจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้วไปอยู่ที่ไหนครับบาสซาคุนอยู่ในโลกบาสักอยู่กี่วันอิลายามียูบาสูจนจนถึงวันให้ถูกฟื้นขึ้นมาถึงวันปียามานี่อายะนี้เป็นหลักฐานที่อิมามาดายมามอิปนกอมิมอิมามอิปนุตัยมียะทั้งหมดเขาอธิบายว่าอายะวนี้นะ ว่มิวารออิหิมบาตจาคุณอิล้ยาเมยูมาซูนเป็นหลักฐานว่าวิญญาณเมื่อออกไปแล้วไม่กลับมาเที่ยวบ้านแล้ววันศุกร์ก็ไม่มาวันอีดก็ไม่มากลับไหมไม่กลับขนาดขอนะกันละไม่ได้อินนะฮะกาลิมาตุนมันเป็นถ้อยคำเท่านั้นเองพูดเท่านั้นแหละแต่ทำไม่ได้เรื่อง ว่ามิวารออหิมและหลังจากตายไปแล้วเนี่ยข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่นะบาะคุณวิญญาณของคุณอยู่ในโลกบัสตาอยู่กี่วันอลายามียู่มหูนอยู่จนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพพอลลพี่น้องวิญญาณของมุมินอยู่ที่ไหนมีอุลามะอธิบายฮะดีษอธิบายอยู่ในตัวนกนกอยู่ในสวนสวรรค์บินไปไหนก็ได้กินผลไม้ อันไหนก็ได้อธิบายฟังง่ายดีวิญญาณของคนกาเฟตถูกโยนลงมาจากอะไรนะจากชั้นฟ้าชั้น่หนึงแล้วก็ถูกบันทึกอยู่ในซ้ดยีนและอยู่ในซัดยีนจริงๆคืออยู่ในนรกตร ง, ตร ง, ต, รงตรงดินตรงไหนไม่ทราบถูกทรมานตลอดจกนกว่าจะถึงวันเตียมานี่เป็นหลักฐานว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วกลับลหรือไม่กลับไม่กลับถ้ากลับแล้วยุ่งกลับแล้วยุ่ง ถ้ากลับยกตัวอย่างอย่างไงเช่นภรายาตายพรายาหึงยกตัวอย่างนะอาสามีตายสีสามีตายสามีตายอาล๋อพี่น้องพอสามีตายภรายากอาอ็อย่าไปเล่าได้พี่น้องเนะียเล่าเนี่ยมันปวดหัวเอาพี่น้องำคำคำมาได้คําอธิบายท่านอับดุลเบบีมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนา คำสอนของอิสลามเนี่ยมาดูแลชีวิตอย่าให้ถูกลงโทษตอนใกล้จะตายนี่คำสอนของนบีฉะนั้นถ้าตายตายแบบไหนครับตายในสภาพที่เรากำลังนมาดอยู่ดีไหมดีตายสภาพของชุดแอลออมดีไหมดีตายขณะอ่านกุณอ่านดีไหมดีตายขณะก่อนตายอ่านกัลิมัลาอิลาฮิลลออฺอัลลอฮฺ il allah, ดีหมดไปแล้ว น, น, นี่ใครสอนนบีมาสอนทั้งหมดเลย พวกกฟฟาสเนี่ยพี่น้องถูกลงโทษเพราะไม่เชื่อคำสอนของนบีมุฮัมมัดที่นำเอามาสอนพี่น้องอลลอฮุอะลลอฮนาอูบิลลาฮิบิมารินะครับคนกล้จะตายคนกาเฟ่ผกอธิบายแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนดายนะมาลาอิกาจะมีใบหน้าดำเมี่ยมมากระชากวิญญาณ กอ่านฮัดดิสวาไงนะน่าจะลายไหลมีนัสละมามาลายกะตุนสุดุลวูใบหน้าของมาเลก้าที่มาเอาวิญญาณคนชั่วเนี่ยนะใบหน้าดำหน้าน่าดูไม่ได้ใบหน้าดำแล้วก็พาผ้ากระฝันมาจากไฟนรกพอถอดปั๊บส่งให้แล้วก็ห่อด้วยผ้าร้อนๆน่ะโอ้โหทรมานไปน้องอ่านตรงนี้แล้วกลัวนะครับพี่น้องตลาดอ้าต่อมาครับพี่น้อง ต่อมาครับอายาที่หนึ่งร้อยหนึ่งโอ้ลูลยละพี่นอ้องมีคนอธิบายอยีกครับพี่น้องอยู่ในบาซักนั้นรางวัลที่เขาจะได้รับนั้นมาจากดุญยาหรือมาจากอาเิร์รางวัลถ้าเป็นวิญญาณดี อยู่ในอ Alam บาซักนะอรรถจะตอบแทนรางวัลให้ถามว่ารางวัลที่มาเนี่ยไปจากโลกดุนยาหรือมาจากอาคีราอมาจากอาคีรอไม่ใช่ไปจากโลกดุนยาไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่รางวัลอาดุนยาเนี่ยทําอาคีรออะรถตอบแทนให้ตอนวิญญาณไปอยู่ในโลกแห่งอ a l a มบาซักรอการฟื้นคืนชีพเนี่ย รางวันที่เขาได้รับนั้นไม่ใช่ไปจากดุลยามาจากอาเซรออันส่งไปมันไม่ถึงถ้าจะถึงมีอยู่สามรายการอะไรนะสอดากรุญารียตุนอินมุนยุนตะฟองบีฮีความรู้ที่เขาทําเอาไว้นั่นะไปจากดุลยาแล้วก็อะไรนะวาเลดุนซอเลหุนยียะดองอัลลอฮ์ลูกที่ซอแลขอดูอาให้ขอให้ อ, อ, อัลลอฮ์ส่งจากอาเซรอมาอีกทีหนึ่งอัลลอฮ์อักุบะร์เปน้อง ยิ่งใหญ่น่ยนั้นเป็นมุสลิมดีกว่าเจน้องมีลูกถ้าลูกดีหมดนี่อัลฮัมดุลิลลอัลลอฮอักบัมันช่วยเราได้เยอะนะไปน้องนะอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลอ้าพี่น้อง فإذا نفخ في الصور فلا أنساب ب ي ن ุม ยา w a l ذ و a ل ا يتسألون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يوم า إذو ولا يتسألون อัล <ت> ล <ص> อ <في> ฮ <ق> นี่ยอัลลอฮเ่าเรื่องของเราพี่น้องเรื่องของเราในวันติยาม นี่นง่ายน้องถึงท่านนบีบอกว่าให้คิดถึงโลกอาคิเรเยอะๆเอามาดูคําแปลฟาอีดานูฟีข้นูฟีข้แปลว่าถูกเป่าถูกเป่าเป่าเป่านูฟีข้อถูกเป่าฟีแปลว่าในอสูแปลว่าที่เป่าเมื่อที่เป่าถูกเป่าเขาเรียกว่าอะไรสังหรือแต่หรือสังอ่าว่าสังกระจายง่ายดีนะ เมื่อสังถูกเป่าหรือที่เป่าถูกเป่าตัวลงมามีคนเป่าไม้มีคนเป่าเป็นมะลายิกะคล้ายสั่งอัลลอฮฺสั่งให้มะลายิกาเนี่ยเป่าสังนะครับโซาได้ไหมอาจารยะน ะ, นนะมะลายิกาใช่ไดนะ้ไหมอิสรอฟีนใช่นี้ไม่ใช่ใช่นี่รู้เปล่ามันดีดูอ่านมาก็อยๆอ่านกันพอนมาสุนาสองรักมาอาัดก่อนนมาสุโบ นำมาที่มัสย at ิดหรือนมาที่บ้านจะนมาที่บ้านดีกว่าแต่ท่านคนมาที่สเราให้ว่ายงี้อัลลฮุมะรบบีจิบรลวอิสรฟลวมาอิลวบิมุฮัมมัดนนบีลลัลลอฮิวะซัลลัมวะอซบิกมินันนันี่เป็นาเยอะแล้วกอาดอ้างไงคืน้อก็ขอ ของนั้นนะโอพระผู้อภิบานของ j ิบรีลพระผู้อภิบานของอิสลาฟต้องนึกถึงอิสลาฟด้วยเพราะเป็นคนเป่าสังนะแล้วก็วามีกาอินอะไรมกาอินอไรนะ <laughs> มาวิญญาณมันะมีกาอินไม่ใช่สิริสกีแล้วก็วะบิมุฮัมมัดินและพระผู้อภิบานของนบีมุฮัมมัด สโลุซัลลัมวอูบกมินานนาฉันคอคุ้มคองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากนรกพอนมาสุนัสองเาอจบก็พูดคานี้อัลลอฮุมะบจิบรีลว่อิสลามฟนวีาิวมุฮัมมดินอับดุลสลลลละอวยวลัมวอูบกมินนนาอัลล์พี่น้องนึกถึงความใจนึกถึงรีสกี เนรานึกตลอดเวลาไปนองครับแค่นั้นนึกถึงฤากีต้องฤิษีฮาลาลเข้าบ้านนึกถึงมาเลกามมาเอาวิญญาณเพรต้องนึกเป่าสังีกตวันกียไหมส้เรานึกตลอดเวลาไปาาอนอ น, เ, น, อ เ, นอเอามาดูฟาอิซานูฟิคอฟิซูรดังนั้นเมื่อที่เป่าได้ถูกเป่าเมื่อสังได้ถูกเป่าฟาเลอันซาบอันซาบแปล ว, ว่าเครียดยากหรือว่าความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทางเครือญาติใบนาหุมในระหว่างพวกเขาในวันนั้นอธิบายเขาใจง่ายนะพ่อเป่าสังปัาบวันนั้นตัวใครตัวมันนะครับความสัมพันธ์ทางเครือญาติไม่มีแล้วอา้าวพ่อกับลูกผัวกับเมียมดญาติปีป้าหนะ้าอาไม่มีความความสัมพันธ์ตัดขาดหมดแล้วพี่น้องฟะละอันซา ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นใบหน้าหุ่มในระหว่างพวกเขายา้ามาอิรินในวันนั้นคุณน้องว่ลยะตซาอลูและพวกเขาจะไม่คุยกันจะไม่ถามกันนี่เป็นภาพที่อัลลอเล่าให้เราฟังในอันอัลอาติรอหลังจากตายไปแล้วนะที่ถามว่าเป่าสังเนี่ยข้างที่เท่าไรอ่าฟาอิดะนูฟีคอฟิซูอธิบายอย่างไ้ครับ หลังจากอาัลลัมบัตซักผ่านไปแล้ววันเกียร์มามาที่เป่าสังจะถูกเป่าสองครั้งอ่าที่เป็นความรู้นะครับน้องนึกสม่ำเสมอเป่าสังครั้งแรกนี่นะตายหมดสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในแผ่นดินและชั้นฟ้าเสียชีวิตหมดยกเว้นผู้ที่เรอทรงท่ ง, ง, งประสงค์จะให้ใค่าเหลือพอเป่าไปแรกวพี่น้องครับ ประมาณก็ว่าสี่ไม่รู้ว่าสี่อะไรสี่สิบปีหรือสี่วันหรือสอาทิตย์หรือสีออส่เดือนไม่รู้อลัลลอฮจะให้เป่าสังอีกครั้งหนึ่งฟื้นหมดอลัลลอฮฺพี่น้องฟื้นหมดเลยนี่เป็นความเชื่อเป็นอะกีดะแกพี่น้องทีนี้พอฟื้นขึ้นมาครับซุมนี่กูอา่านยะย่นึงนะครับ ุ ม, มนุขฟีอุคราไฟดะหุมกิ亚马ยังจุรูนแล้วจะมีการเป่าอีกครั้งหนึ่งคือครั้งที่สองแล้วจงดูเถิดพวกเขาลุกขึ้นยืนคอยการตัดสินฟื้นจากกุโบโมลเลยพี่น้องเจนี่มาดูภาพคนมุนินผู้ศรัทธาต่อล้อตอนตายเขาเป็นคนดีเนี่ยตอนฟื้นพี่น้องครับ มลายกามาพยุงขึ้นมาจากนั้นจาหลุงฝังศพอายุสามสิบสามกระจับกระเชมเดินคล่องไปน้องแตปัดฝุนเล็กน้อยเพราะว่าผมติดดินเป็นต้องเห็นยั ง, งนี่อธิบายอันจากคดอีอัลลอฮฺไอ้กูบัสมีมลายกามาพยุงอลัลลอฮฺไปน้องแล้ววันนั้นนี่ไปน้องภาพในโลกอาคีรอดไปน้องครับมีอยู่หลายชนิดไปน้องเอ้าชมคนคนอาจารย์หน่อย คนที่อาจารอยู่บนรุญญาที่มัสยิดนะต่อแปปีขึ้นไปนะค <c oughs> อจะอะไ้นะเราหงส์สูงสวยเดินเป็นจะมาอเลยไม่รู้กี่ล้านคนโอ้โหนั่นคนอาจารย์นะเนี่ยลรออากรรมคนที่เดินกระเพกกระเพกมีเมียสองคนอั น, นี้ไม่สัตย์ดูเมียไม่เท่ากันนี่ระวังมึงถูกแน่ให้ไม่ไป น, น้องอย่างนี้เป็นต้นนะออรออากรรม วันนั้นเห็นภาพหมดฉะนั้นเป็นน้องขับถึงนาย บ, บีสั่งว่าอยู่บนอาร์เคโร่ใบนี้นึกภาพโลกอาร์เคโร่เยอะๆมีบางคนอธิบายบอกว่ า, วาไปหาไปเยี่ยมอลมุลามะที่บ้านเขาไม่มีอะไรมีเสือผือนนึงก็ น, นั่งตอนราบแขกแต่ปัญหาว่าออฟฟิศดูนะอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึง่งเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้านอีกหลังหนึง่ง ถามอยู่อีกหลังนึงอยู่อีกหลังนึงหมดคือในสวนสว่างอยู่ในบ้านหลังหลังหลังที่สองของเ้าโน่นน่ะเห็นไหมชีวิตออร่อยิ่งท่านท่านบดีท่านอาบดีมุฮัมมัดเนี่ยเอาเงินดุลยามาสร้างบ้านป่าป่าเลยนะไม่จะทําลายอะไรเล ย, เลยตัวไม้ ก, ก่อนไม่เคยตัดเฟอร์นิเจอร์ตัวท่านอบดีก่อไม่มีเยอะ ยิ่งไซนาอุมาศน่ะปกครองคาลิฟาเป็นสิบสองปีเนี่ยสรุปแล้วมีหลังจากตายมีสิ่งรายการที่เหลืออยู่หนึ่งบ้านที่ทามาจากดินทำไมไม่สร้างด้วยไม้สักดีๆขนจะประเทศไทยไปไม่ได้ได้อะใช่ไหมเอาดินเรื่องที่สองมีแส่อยู่อันหนึ่งเอาไว้ปลุกคนอมาดใช่ไหมแล้วก็มีล่ออยู่หนึ่งตัวเอาไว้ขี่เยี่ยมใครจะใครตามหมู่บ้าน เรามีเสื้อเก่าๆมีรอยปะนั่นชีวิตของไซเดนาอบูไซเดนาอุมะจอดิย์รอหวานเลสีอย่างสิบสองปีถ้าพวกเราไม่กล้วยกันแรงเลยสามพันล้านรออัคบาตมีทาอะไรอะฉะนั้นนบีนบีไม่เคยทำลายวัตถุอะไรเลยลืมบ้านนบีก็พี่น้องเห็นใช่ไหมล้างความใจโตัสุดหยุดลงไปเจอเท้าพระยาทุ่งที อย่างนี้เป็นต้นเป็นน้องนึกภาพชีวิตของสอบ้านนบีของนบีเนี่ยไม่นจะทำลายอะไรเลยพป่น้องแต่สร้างดูมยาเนี่ยสร้างให้คนได้เข้าใจศาสนาอย่างเดียวพป่น้องเอาเป็นน้องอ่านยังไม่ทันจบไฟฟ้าอีซาโนฟีคอฟิซูต้องว่าซูดเนี่ยเป่าสังมันมีอยู่สองครั้งสงครั้งแรกนะตายสังที่สองฟื้นพอฟื้นขึ้นมาครับไฟละอันซ า, าบาบนาหุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางเขอญาในระหว่างพวกเขาอธิบายอย่างนี้ครับลูกกับพ่ออะไรนะจะหนีออกจากพี่น้องจะหนีออกจากแม่จะหนีออกจากพ่อของเขาจะหนีออกจากเพื่อนของเขาจะหนีออกจากลูกของเขาต่างคนต่างหนีซึ่งกันและกันเอาตัวรอดตัวใครตัวมันนี่เรื่องจริงไหมจริงครับฟะละอันซาบะบานุมยาุมาอิลิ วัลอยจะซาลูนและในวันนั้นและจะไม่มีการพูดคุยกันนะครับพี่น้องจะไม่ถามกันขณะเห็นหน้ากันพี่น้องก็ไม่คุยกันกังวลนะฉันจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยจะไปนรกหรือไปสวรรค์ใครเป็นทางตรงหลายพี่น้องคนกาเฟต ก, กับคนมุมินต้องอธิบายนิดหนึ่งนะคนมุมินในทุ่งมาชัดนั้นค่อนข้าจะสบายแต่ที่เล่าเนีาคนกาเฟตนะ นี่ทีหลบคนกาเฟตนะคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยคุณอ่านอิบารอยางี้ครับอัลฮะกนฮุมซ ah um ุรียะจฮุมเราจะให้ลูกลูกผู้สืบเชื้อสายของเขาอยู่ร่วมกับเขานี่ในะทุ่งมาชัดนะพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์เขาทำงานศาสนาของอัลลอ์นะตั้งแต่ทุ่งมาชัดแล้วอัลลอฮ์จะ ให้ลูกของเขาีนพี่น้องมาอยู่รวมกับเขาแล้วก็ลูกของมุมินที่เสียชีวิตก่อนที่จะถึงอากินบาลิกนะครับนี่ลูกแล้วนะลูกเราที่ตายในพี่น้องนะที่พ่อแม่เสียใจยอยู่วันนี้บางคนลูกตายมาเสีปียังเสียใจยอยู่เลยอ่ะอัลลอจะให้ลูกที่ตายเสียชีวิตก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะนะครับถือน้า นี่ฮัตติสอธิบายอย่างนี้ครับถือน้ํามาจากสวน ส, วนสวนสวรรค์เดินผ่านผู้ศรัทธาขอน่อยขอ้ อ, ขอน้อยไอเราหิวพี่น้องทุกคนหิวหมดแล้วพี่น้องเยทุกมาสชัหิวน้ำหมดทุกคนแต่เด็กลูกเราที่เสียชีวิตก่อนที่จะบรรลุเตี่ยวภาวะเนี่ยถือน้ํามาแล้วเดินหาพ่อแม่แม่จะอยู่ไหนพ่อจะอยู่ไหนต้องการจะเอาน้าเนี่ยไปให้พ่อแม่ดื่นเห็นไหมพี่น้องแต่งนั้นลูกตายดีไหมนี่เพิ่งมาดูตอนลูกหมดแล้ว ลูกตายดีไหมดีครับเอาลอพี่น้องคนนึกถึงเนี่ยยอผมเรามีลูกตายทั้งสองสามคนตกน้ําตายพวกนึกภาพเล้โ อ, อ้แค่ลูกนี่จะช่วยช่วยพ่อช่วยแม่ในวันติยมาพี่น้องก็ถือหน้ามาจากสวนสวรรค์อ้ามพ่อจะอยู่ไหนชาวบ้านเขาเขเดื่มน้อยไม่ได้ไม่ได้แต่จะให้พ่อฉันให้แม่ฉันอย่างนี้เป็นต้นเอาลอพี่น้องและอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับครอบครัวนบีมุฮัมมัด ในทุ่งม้าชัดไม่มีปัญหาแบบที่คุรานอธิบายสบายมากครอบครัวครอบครัวนบีดัานั้นใครที่เป็นภรรยานาบีใครที่เป็นหลานนบีใครที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนบีเช่นแต่งงานกับครอบครัวนบีพี่น้องครับ <c oughs> เขามีโอกาสอยู่สบายมากในทุ่งม้าชัดก่อนจะเข้าสวรรค์เ <c oughs> มื่อไซดีนาอุมะต์ระเดียวรออันทูที่ทั้งหลายนะครับอ่านฮะดิษบทนี้พบ พบว่าครอบครัวนบีดองกับท่านนาบีทั้งหมดจะได้อยู่สบายในทุ่งมาชัดท่านไซดีนาอุมัดไปขอลูกสาวไซดีนาอาลีชื่ออุมมกุลซูมขอแต่งงานเห็นมไหมพออ่านทาริสพบไปน้องไปขอเลยขอลูกสาวแต่งงานหวังอะไรนะหวังว่าจะจะอยู่ในทุ่งมาชัดแต่ปลอดภัยไปน้องแล้วก็จ่ายมหาต่อไรว่าอันจะภาษาอุดู สี่0 0่หมื่นสี่หมื่นดีรำฟติดเท้าันทดีรำนะพี่น้องสี่หมื่นดีรำัยนาลีใช่ไซนาไซนาอุมาตอโดยล้ออันดูแต่งงานกับลูสาว阿里ไซนาลีมีพระยาไม่ใคนเดียวนะหลังจากฟติมาเสียชีวิตแล้วมีพระยาอีกพี่น้องแล้วก็มีลูกชื่ออุมากลซูมไปทั้งมัดไปไปขอแต่งงานเห็นไมพี่น้องชีอาวขาไม่ถูกกันพูดได้ยังไงอ่ะนี่ฮัจยอธิบายชัดชเลยพี่น้อง อ๋อหรอฉะนั JD, es, metros, ้นใครที่ด่าซอบ้านนบีเนี่ยด่าไซนาอุมัดนโมเซ็นนะแต่คนที่ตำหนิใครแต่ใครเยอะไปหมดนะในทุ่งมาชัดลําบากมากนะถ้าตายแล้วไม่ฟื้นอยู่เรื่องนี้จะมันตายแล้วมันฟื้นอเป็นต้นเป็นน้องครับโอ้เป็นน้องครับเพราะฉะนั้นอ่านกูอานรายะนี้หลายๆเที่ยวนะอือทีนี้ในทุ่งมาสชัดเป็นน้องครับรายงานจากอัมดุลลอห์อิบเนมัสอูดนะอัลลอฮ์จะประกาศเรียกชื่อนะ ชื่อคนนี้นามสกุลนี้ลูกคนนี้หลานคนนี้เอ่ยหมดเลยพี่น้องเอามายืนอยู่ข้างหน้าฉันเรียกมาทีละคนละคนมามารายงานตัวพอมายืนปั๊บพี่น้องเอาลราถามบอกว่ า, วาใครที่มีปัญหากับคนนี้ใครที่มีปัญหากับคนนี้มีไมประกาศให้ชาวโลกได้ยินหมดเลยเนะ่ะมามาทวงสิทธ์มาทวงสิทธ์ รอพี่น้องทวงสิทธต่อหน้าคนโอ้โลพี่น้องลูกจะจะทวงสิทพ่อแหละนะครับพ่อจะทวงสิทธลูกบางทีลูกเนี่ยไม่ทำดีกับพ่อแม่มีไห ม, มแม่ครับมีครับอลูกกับพ่อจะทากเอาเสร็จอุมาเองนี่แหละงานงานงานพี่น้องต่างคนต่างทวงเสร็จซึ่งกันแล้วกันฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาผู้ว่ามาอากันก่อนดีไหมก่อนตายเนี่ยมาอาบกันดีกว่าไม่ต้องไปยืนน่ะทวงกันทวงทำไม่พี่น้อง ยกมาอาฟกันกนดีกว่าทะเลาะกันนะอย่าไปทวงสิทธิ์นะอาคิร์เลยี่น้องโอ้เหนื่อยฉะนั้นภรรยานับดินะี่น้องเ้าก็มีเถียงเถียงกันตัวอย่างที่ภระยานาบดินทำทำอย่างนี้เวลาใครไม่สบายรู้ว่าตัวเองคงจะตายแน่ก็จะสั่งคนไปตามคนนั้นมาตามคนนี้มาพอมาก็ขอมาอาฟซึ่งกันแล้วกันเพื่อไม่ต้องไปทวงกันในโลก อาคิรอบไปเนาะผมกลัวนะลูกทวงพ่อแล้วก็พ่อทวงลูกแล้วสามีภรรยาทวงสามีทวงทวงทวงภรรยาสิทธิแล้วภรรยาก็ทวงสามีนะเพระก็มาจาายแลวจากมาสิ ป, ปีโอ้โหไม่น้าไม่ง่ายอะถูกมาชัดนะอ่ะเป็นทางัะตบภรรยาสามีจะตบเตะภรรยาเนี่ยทวงเงินมันสิทธิโลกอาคิรอบไปเนาะ อ, อายเขานะ่า แค่ท่านพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับพอครูรอ่านยา น, นี้เตือนนะฟาอีซานัวฟีคอฟิซูเมื่อใอดนะเมื่อที่เป่าเมื่อสังถูกเป่าฟาดอันซาบาใบานาฮุมอะไรนะไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขาเหล่านั้นพ่อกับลูกไม่มีภรรยาไม่มีพี่น้องสามีไม่มีโต๊ะแชร์ไม่มีไม่มีใครพี่น้องตัวใครตัวมัน ย่ามาอีรินในวันนั้นมตืตนวันกี้มะว่ายะยาตาซาลูและพวกเขาจะไม่ถามกันลืมหมดทุกคนลืมหมดคิดตัวเองจะรอดรอดอย่างไรกับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องตกล ง, ตงว่ามุมินอยู่สาบายในโลกอาคีรอนนะด้วทุ่งมาชัดก็สาบายนะแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนาบีอย่างเดียวแต่ชาว บ, บ้านนาบี อธิบายบอกว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยค่อนข้างจะอยู่สบายกว่าคนกาเฟตหลายเท่าเลยนอนะครับสุานะบะลาฮ์อุบิฮมดีกะอุาัลลฮิลลาิลลาอันตะอัตักรกวะตบะิลกสัลลัมมลัยุมอฮ์มุลลมุลลาห์ก